อาดโอ้มีบางคนยังไม่รู้สึกตัวอยู่สะอาดสะอาดสว่างสงบสง่างามวันนี้พวกเราโชคดีมากอาจารย์สุทธิวุฒิซึ่งปกติทำงานเป็นช่างประดับมุกอยู่ในวังนะอยู่ในวัง ไม่ค่อยมีโอกาสว่างพอดีพระอาจารย์มาเห็นลูกเนนแม่ชีแล้วน่ารักมากเลยอะ่ะก็เลยโทรบอกอาจารย์สุดทิวุฒิว่าปกติทางานในวังตลอดบพราว่าวันนี้มานี่หน่อยใน ไ, ม, ไม้มาเยี่ยมลูกเนนมาเป็นกำลังใจกันเมื่อวานนี้มันเป็นวันหยุดก็เลยอาจารย์ก็ไปจัดเป็นเวิร์กช็อปที่วัดชลประทานด้วยกันลูก ลูกๆเขามาวาดตลัปัดกันเมื่อวานนี้มาวาดทั้งหมด30สภาพได้นะพวกเนี้ยเอาตลัปัดพวกเนี้ยอันนี้ก็คุณครูนั่งวาดกันอยู่ข้างหลังเมื่อวานอาจารย์ก็ช่วยดูแลให้วันนี้อาจารย์มาเยี่ยมพวกเราก็เลยอยากให้อาจารย์มาคุยอะไรกับพวกเราสักนิดหนึ่งอาจารย์มีร้านอยู่ที่เกาะเก็ดนะใครสนใจผ่านไปทางนู้นก็ลองดูก็แล้วกันแล้วก็โดยเฉพาะวิชาศิลปะอาจารย์ประดับมุกได้สวยงามมากๆ แล้วก็เป็นงานศิละปะซึ่งยอดเยี่ยมศิละปะเปลือกไข่ศิละปะสารพัดเลยก็อยากจะให้อาจารย์มาคุยอะไรกับลูกเนนและแม่ชีน้อยสักนิดหนึ่งเชิญเลยจ้ะอาจารย์กาบพนรัสการหลวงตากาบพนนัสการพระอาจารย์กาบันัสการลูกเนนแล้วก็แม่ชีนะครับกูห่วงเองก็ มีความรู้สึกวาเมื่อเข้ามาโรงเรียนรุ่งอรุณแล้วก็มีความรู้สึกอิจฉานะครับอิจฉาเล็กๆ เ, เลยนะครับว่าพวกเราเนี่ยมีโอกาสดีๆที่เรามาอยู่ที่นี่ในบรรยากาศที่อบอุน่นแล้วก็เคยน้อยคนนะครับที่เห็นบ้านเก่าๆที่เป็นไม้ใช่ั้มครับทุกวันนี้เราเห็นเป็นตึกกันแล้วใช่ไหมครับครับนะพวกเราโชคดีมาก นะครับที่ได้มีโอกาสมาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้บวช ด, ด้วยนะครับได้ข่าวว่าบวชเพื่อในหลวงก็ยิ่งมีความรู้สึกปลื้มปิติมากๆนะครับปกติเองก็ทำงานอยู่ในส่วนของช่างสิบโมนะครับอยู่ช่างหัวโขนช่างเกียดแล้วก็ช่างประดับหมกล่าสุดนะครับก็ได้มีโอกาสถวายงานท่านนะครับแล้วก็ได้ช่วยงานของหลวงตาแล้วก็ติดตามหลวงตาแล้วก็ช่วยงานพระต่างที่ เป็นจิตอาสาการให้เราต้องรู้จักการให้การแบ่งปันนะครับครูห่วงก็เลยมาทำในส่วนของงานศิลปะไทยๆเปิดบ้านเป็นบ้านไม้ที่อยู่บนเกาะเกตนะครับมาทำเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์แบ่งปันนะครับก็สร้างงานของเราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับก็งานที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ก็เอามาทำนะครับก็ใช้เวลาว่างเสาร์อาทิตย์ แล้วก็วันหยุดนักขัตเลอก็เปิดบ้านนะครับมาทําเป็น แ, แหล่งเรียนรู้นะครับในส่วนของจําหน่ายสินค้าแล้วก็เอารายได้ตรงนั้ น, นมาแบ่งปันให้กับชุมชนต่างๆที่เขาต้องการพัฒนาแล้วก็หรือแม้แต่ในส่วนของเยาวชนที่ต้องการให้รู้ลากเงาให้รู้จักรากเงาเราเป็นคนไทยใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จัก งานศิละปะไทยต้องรู้จากลากเงาของเราว่าเราเกิดมาเมืองไทยเราต้องรู้จากงานไทยและต้องรักษาและห่วงแหนศิละปะไทยเมื่อเราบวชเราก็ก็ต้องรู้จักขนมทำเนียมประเพณีให้ท่องแท้ด้วยนะครับเพราะเราเป็นคนไทยเคยเห็นพระต่างชาติใช้ไหมครับที่มามาบวชพระพระไทย เคยเห็นใช่ไหมครับนั่นแหละครับเขาทําไมต้องมาบวชนะครับเพราะว่าพระพุทธศาสน า, าของเราเนี่ยมีค่ามากๆนะครับแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยเขาไม่รู้วิธีการปฏิบัติด้วยนะครับแล้วเรามีโอกาสปฏิบัติเนี่ยเราควรที่จะต้องตั้งใจตั้งมั่นและมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวทุกขณะเลยนะครับรับปากได้ไหมครับ นะครับอันนี้ก็รับฝากแล้วนะครับหลวงตาเ น, น่ก็เลยต้องฝากขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ที่มีโอกาสแล้วก็ถ้ามีโอกาสไปพบกันที่บ้านศินสยามนะครับก็ที่นั่นเนี่ยจะสังเกตง่ายๆเลยก็คือเป็นรูปหนุมานตัวใหญ่เท่าบ้านสองชั้นนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวรามเกียรติ์ซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงนะครับก็ครูห่วงก็มีโอกาสได้ ได้แสดงด้วยนะครับก็มีโอกาสไปพบไปพบเจอกันคุยกันแล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับศิละปะไทยๆกันเคยรู้จักงานโขนไหมครับรู้จักนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อรู้จักดีมากเลยครับถ้าแสดงทุกปีเรากวรจะต้องอ ส, สืบสานศิละปะวัฒนธรรมขแขนงนี้ไว้นะครับเพราะว่าเป็นศินละปะชั้นสูงนะครับ น, นี่ก็ฝากไว้นะครับแล้วยิ่งเราพวกเรารู้ เด็กๆ ด, ด้วยนะ่ยยิ่งมีโอกาสดีมากเลยนะครับนะครับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณหลวงตาครับแล้วก็มีโอกาสได้มาพบกันอีกครับขอบคุณครับนะครับอันนี้นะฮัณุมา น, นี่ก็คือบ้านสองชั้นเลยนะครับที่เป็นหัวหนุมาน ข้างล่างเนี่ยครับก็สามารถขึ้นไปชั้นบนชั้นสองได้นะครับส่วนของข้างด้านข้างก็จะเป็นถ้ำที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหานุมานลบกับทศกัณฐ์ซึ่งข้างในก็จะเป็นนิทัศการที่เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้นะครับมีเกี่ยวกับเรื่องราวของอเฉดสีไทยโบราณ น, นะครับเศษเฉดสีไทยโบราณเนี่ยที่เราทำงานศิลปะ ก, กันนะครับมีขั้นตอนในการทำหัวโขนการปักสะดึง การโกรกหรือะลุลายประดับมุกนะครับตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็เชิญชวนครับขอบคุณครับลูกเนนสาธุกันจ้าลูกเนนแม่ชีน้อยจ้าสาธุ อ, อาจารย์น่ารักมากปกติเก่งมากเลยนะเอาเปลือกไข่มาวาดแล้วสวยมาก พระอาจารย์ชอบงานศิลปะแต่ว่าทําสู้อาจารย์ห่วงไม่ได้อาจารย์ห่วงเก่งมากก็ทําได้สวยงามแล้วช่วยงานพระอาจารย์หลายเรื่องวันนี้ก็เลยชวนมากราบลูกเนนกันท่านก็ปกติก็งานยุ่งตลอดจ้ะไม่ค่อยมีเวลาวันนี้พอบอกปั๊บก็เลยมานี่เมื่อวานไปทําเมื่อวานไปวาดกันจงหยุดนินทาแล้วพิจารณาตนเอง น่าอย่างกันนังเอกหนังชื่อใหม่อะไรเนี่ยจะมาช่วยกันวาดแล้วเขาก็ออกแบบจินตนาการภาพขึ้นมาน่ารักมากอีกคนนี้ก็มาช่วยวาดภาพนี้เออเป็นความหมายดีนะภาพนี้อยากจะให้ลูกเนนได้ดูกันนิดนึงเป็นภาพคนตาบอดเขาไปเยี่ยมเพื่อนแล้วคุยกันจนดึก แล้วพอจะกลับบ้านเพื่อนก็บอกว่าเดียเด๋ยวเด๋วไอ้บอดเอาตะเกียงไปด้วยอันนี้มันคืนเดือนมืดเพราะฉะนั้นถือตะเกียงไปด้วยคนตาบอดก็บอกเดียเด๋ยวเดี๋ยวผมตาบอดนะตะเกียงสว่างขนาดไหนผมก็มองไม่เห็นทางเพื่อนบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ให้แกมองเห็นทางฉันให้คนอื่นอะมองเห็นแก พอไม่งั้นเดี๋ยวเดินไปคนเขาจะมาชนแกตาบอดก็เลย thank you very much ขอบใจมากๆว่าแล้วก็ถือตะเกียงแล้วก็เดินหลันล่าหลันล่าหลันล่าหลันลาเดินเดินยังไม่ทันถึงบ้านเลยโคลมลุกขึ้นมาได้งงหันทั่วหมดตาบอดหรือไงฉันอุตส่าห์ถือตะเกียงยังมาชนฉันอีก คนชนบอกว่าขอโทษนะครับตาผมไม่บอดแต่ตะเกียงของน้าไม่มีไฟครับเนื่องจากเขาตาบอดไฟในตะเกียงดับเขาก็ไม่รู้เรื่องนี้เป็นข้อคิดที่พระอาจารย์ชอบมากเลยถ้าจะเปรียบตะเกียงเปรียบเสมือนแสงแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีแล้วก็ ตัวปัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้าพยายามที่จะเน้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องมีตัวสติปัญญาคนก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอยากประสบความสาเร็จต้องเรียนมากๆเรียนมากๆ ก, ก็เรียนเรียนเรียนเรียนจนปัจจุบันเรียนจนจบดอกเตอร์แต่เมื่อหลายเดือนก่อนเราได้ยินไหมดอกเตอร์คนหนึ่งเอาปืนไปยิงดอกเตอร์สองคน แล้วก็ยิงตัวเองซึ่งเป็นด็อกเตอร์จนเสียชีวิตพวกเราได้ยินข่าวไหมนะเพราะฉะนั้นปัญญาที่ทางโลกกําลังเข้าใจกันเนี่ยเข้าใจสวนทางกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแบ่งปัญญาออกเป็นกี่ระดับทราบไหมใบขนาดนี้แล้วกี่ระดับสมระดับปัญญาที่พระเจ้าสอนไว้หนึ่งก็คือสุตตะมยะปัญญาสอง จินตามายะปัญญาสามภาวนามายะปัญญาสุตตามายะปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการอ่านมากๆฟังมากๆ wisdom r e s u l t i n g อร์มสตาร์หรือว่า k n o ล l e d g e that i ิ l e a r ต e d ฟอร์เตอปัญญาที่เกิดจากการที่เราไปเรียนไปเรียนเมืองนอกก็ไปจําจากเมืองนอกมาฟังให้ดีตกลงสุตตะเป็นปัญญาจําเรียกว่าเป็นสมองมัน จำได้เหมือนครูบาอาจารย์มากเท่าไหร่ก็ได้คะแนนมากเท่านั้นจนกระทั่งเกียรตินิยมที่ได้มาก็เพราะว่าจำได้เหมือนครูบาอาจารย์ตัวที่สองจินตามยะปัญญา wisdom resulting from reflection หรือว่า knowledge that is thought out ปัญญาที่เกิดจากการคิดการวิเคราะห์การสังเกต observation is the best teacher การสังเกตเป็นครูที่ดีที่สุด ปัญญาตัวที่สองเป็นปัญญาคิดลูกเน้นฟังให้ดีนะแม่ชีน้อยฟังให้ดีสุตัะเป็นปัญญาจำเรียกว่าเป็นสมองมันจินตะเป็นปัญญาคิดเรียกว่าเป็นมันสมองแต่ปัญญาสองตัวนี้ดับทุกข์ได้ไหมยังไม่ได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงมาย้ำตัวภาวนามยปัญญา wisdom resulting from mental development ปัญญาที่เกิดจากการเห็นจริงตามความเป็นจริงของสิ่งต่าง เห็นความรู้สึกสดๆที่มันเกิดขึ้นที่จิตในแต่ละครั้งของการกระทบอารมณ์แล้วไม่เพลินในเวทนาไม่ไหลเข้าไปในความยินดีและยินลายพอะกระทบปุ๊บสามารถกลับมาสู่ความปกติสงบเย็นได้ปัญญาทางโลกพระพุทธเจ้าจบ18ดศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยแต่ว่าทั้ง18ดศาสตร์ดับทุกข์ไม่ได้จนกระทั่งมาเจอพุทธศาสตร์ชาวต่างประเทศบอกว่า คนไทยโชคดีมากๆที่เกิดมาเจอพุทธศาสนาแต่คนไทยโชคร้ายมากๆที่ไม่สนใจพุทธศาสนาเพราะตัวพุทธศาสนาสามารถที่จะดับทุกได้จริงๆประจัเจอพระอาจารย์เจอชาวต่างประเทศเขามาเรียนภาษาไทยพระอาจารย์ถามบอกว่าอยู่มาเรียนเพื่อไปพูดกับภรรยาหรือฝรั่งบอกว่าผมพูดไทยได้ครับ พระอาจารย์ก็ถามแล้วยูพูดไทยได้อยู่มาเรียนภาษาไทยทําไมเพราะภาษาไทยไม่ใช่ภาษาของประเทศมหาอํานาจใช้เฉพาะหกสิบกว่าล้านคนในประเทศไทยเท่านั้นต่างประเทศเขาไม่ได้ใช้ฟังให้ดีฝรั่งตอบแล้วพระอาจารย์ขนแขนสแตนด์อัพเลยละ่ะฝรั่งบอกว่าที่ไอมาเรียนภาษาไทยเพราะไออยากอ่านพระไตรปิฎก ไออยากอ่านงานของอาจารย์พุทธทาสตกลงฝรั่งมาเรียนภาษาไทยเพราะอยากอ่านพระไตรปิฎกอยากอ่านงานของอาจารย์พุทธทาสอาจารย์กําลังจะเดินไปเจอระบบดิสเบ l เข้าเดินไม่ออกก็เลยหยุดถามบอกว่าทําไมอยู่จึงมาสนใจพุทธศาสนาฝรั่งบอกว่าไอไม่ได้สนใจไอนับถือพอได้ยินคําว่านับถือแค่นั้นขนหัวลุกหมดเลย มีไม่มากแต่มันลุกตั้งได้อะพระอาจารย์ก็เลยหยุดคุยบอกว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวทำไมอยู่ใช้คําว่านับถือฝรั่งบอกว่าที่ไอ้นับถือเพราะว่าพุทธศาสนาไม่ได้บังคับให้ไอเชื่อแต่สอนให้ไอคิดเป็นสอนให้คิดเป็นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติสนใจว่ า, าศาสนาของเขาบอกว่าถ้าไม่เชื่อต้องตกนรกแต่พุทธศาสนาพุทธเจ้าบอกว่าให้ดับทุกข์ด้วยปัญญาไม่ใช่ดับทุกข์ด้วยศรัทธา พระอาจารย์ก็เลยอยากจะฝากว่าเรามาบวชเที่ยวนี้ขอให้ได้ประโยชน์แล้วเอาประโยชน์นั้นไปเผื่อคุณพ่อคุณแม่ด้วยสะอาดสะอาดสว่างสงบสง่างามวันนี้พระอาจารย์ชื่นใจมากพวกเราสามารถควบคุมตัวเองได้ยอดเยี่ยมมาก อพอดีคุณครูบอกพระอาจารย์บอกว่าช่วยพูดเรื่องของในหลวงสักนิดหนึ่งเพราะว่าพวกเรามาบวชเพื่อที่จะอุทิศกุศลให้แก่อพ่อหลวงเราเรียกกันว่าพ่อหลวงพระอาจารย์ปีนี้ไปจำพรรษาอยู่ที่เดนมาร์กแล้วก็มันอยู่ได้สามเดือนก็ต้องกลับเมืองไทยลาสตหะคือก่อนออกพรรษาเจ็ดวันจะไปออกพรรษาที่ไหนก็ได้ พระอาจารย์ก็เลยกลับมาออกพรรษาเมืองไทยกลับมาวันที่สิบสองพอวันที่สิบสามเกิดอะไรขึ้นในหลวงท่านจากไปโยมมาทำบุญกับพระอาจารย์พอทำบุญเสร็จบายๆขับรถกลับไปแป๊บเดียวโทรมาร้องไห้พระอาจารย์ขับรถไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วน้ำตาไหลตลอดรับไม่ไหวพระอาจารย์รีบบอกโยมทันทีบอกว่า ฮัลโหลฟังให้ดีหาข้างทางจอดรถเดี๋ยวนี้ไม่ต้องขับต่อแล้วอยากร้องไห้ร้องไปเลยเพราะว่าทาไม่จอดตอนนี้เดี๋ยวคนรักในหลวงกับคนรักในหลวงมันจะไปชนกันแล้วมันจะเกิดงานใหม่ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้หาที่จอดแล้วอยากจะร้องไห้ร้องไปเลยฟังให้ดีตอนที่พระพุทธเจ้าดับขันปรินิพาน พระอนนท์สำเร็จโสดาบันแล้วท่านยังร้องไห้เราไม่ได้สําเร็จอะไรร้องไปเถอะร้องให้กับคนดีร้องไปเคยร้องให้กับคนบ้าๆบอๆมาเยอะแล้วร้องให้กับเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เยอะแล้วบางคนเล็บหักก็ร้องไห้ผมแตกปลายก็ร้องไห้สิวขึ้นยังร้องไห้ปัญญาอ่อนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คนดีจากร้องไปเถอะแต่อย่าร้องนานเกินพอบอกปั๊บ ตกลงร้องได้นะบอกได้ร้องไปเลยโอ้โหมันร้องดังลั่นใส่โทรศัพท์เลยอ่ะพระอาจารย์ก็บอกเอาแค่นี้นะเพราะว่าถ้าถืนฟังนานเดียวพระอาจารย์ร้องมั่งนะก็เลยวางหูไปพอวางหูไปปั๊บหลังจากนั้นหกวันเจ็ดวันเขานิมนต์พระอาจารย์ไปออกรายการทีวีออกรายการวิทยุด้วยพอไปถึงปั๊บพระอาจารย์เห็น คนที่มาสัมภาษณ์พระอาจารย์พูดไปน้ำตาคลอไปพูดไปพูดมาแกร้องไห้ด้วยหันไปข้างๆร้องเยอะแยะหมดเลยแล้วเขาไม่เห็นใจพระบ้างอะ่ะนะถ้าพระร้องไห้มันเสียภาพภาพโพธิ์น่ะพระอานะจารย์ก็เลยพอเสร็จปั๊บบอกว่าหยุดนะวันนี้คุยกันให้รู้เรื่องห้ามร้องเพราะว่าถ้ายมร้องแล้วเดี๋ยวพระร้องเนี่ยเสียภาพโพธิ์ของพระเข้าใจไหมแกก็ขาดขาด เสร็จแล้วพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าเราร้องกันมาเจ็ดวันแล้วพอได้หรื อ, อยังแกบอกว่ายัางพระอาจารย์ก็บอกไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นไปได้อย่าร้องทั้งวันช่วงบางช่วงร้องแล้วก็ร้องไปช่วงบางช่วงให้หยุดเปลี่ยนหยาดน้ําตามาเป็นหยาดเหงือ่อทําดีเพื่อพ่อหลวงเปลี่ยนหยาดน้ําตาเป็นหยาดเหงื่อทําดีเพื่อพ่อหลวงพระอาจารย์ชอบประโยคนี้มากสาธุดังๆ ด, ด, ด้วยจ้ะ อาสาธุให้คนเขียนประโยคนี้เขียนเองแล้วชอบเองเข้าใจใช่ไหมอ่าก็บอกบอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนดีกว่าเราเอาเหงื่อมาเป็นน้ำมนต์เปลี่ยนหยาดน้ําตาเป็นหยาดเหงื่อเอายิงเหงื่อเป็นน้ำมนต์อาจารย์พุทธทาสบอกว่าทําเหงื่อให้เป็นน้ํำมนต์ขึ้นมานะก็ฝากเป็นข้อคิดเสร็จเรียบร้อยปั๊บพระอาจารย์ฝากคําพูดอีกประโยคหนึ่ง ไหนใครรักในหลวงยกมือสงสูงพรึบพนมมือว่าตามพระอาจารย์ดังๆถ้าไม่ทำตามคำสอ น, ส อ, นอย่ามาอ้อนเรียกพ่อหลวงชอบประโยคนี้มากสาธุให้คนคิดด้วย ค, คิดเองแล้วชอบเองอีกแหละนะ อาจารย์ได้จากท่านอาจารย์พุทธทาสอาจารย์พุทธทาสบอกว่าถ้าไม่ทําตามคําสอนอย่ามาอ้อนเรียกอาจารย์อาจารย์ก็เลยบอกถ้าไม่ทําตามคําสอนอย่ามาอ้อนเรียกพ่อหลวงทีนี้คําสอนของในหลวงท่านสอนอย่างไรท่านสอนด้วยการพูดให้ฟังถ้าพูดได้ก็พูดให้ฟังถ้าพูดไม่ได้ก็ทําให้ดูทําให้ดูไม่ได้ก็อยู่ให้เห็นแล้วก็เย็นให้สัมผัสด้วย ท่านพูดให้ฟังทุกวันที่สี่ท่านจะออกมาพูดประจำตอนหลังไม่ไหวแล้วท่านก็ยังทำให้ดูทีนี้ในหลวงท่านทำอย่างไรสมเด็จย่าเป็นใครเป็นแม่ของพระเจ้าแผ่นดินจ้ะสาธุไ้ลุกเนนด้วยจ้ะตอนที่สมเด็จย่าท่านจากไปในหลวงท่านเสียพระไทยไหมเสียใจจ้ะในหลวงท่านกลับไปถึงวังแล้วแต่เขาโทรศัพท์แจ้งบอกว่า ตอนนี้สมเด็จย่าจากไปแล้วในหลวงรีบตีรถกลับไปดูสมเด็จย่าพอไปถึงเห็นสมเด็จย่านอนสงบนิ่งในหลวงท่านไปซกที่อกของสมเด็จย่าแล้วก็ลำพึงบอกว่าต่อไปนี้จะมีใครที่จะช่วยสอนท่านเพราะทุกครั้งเวลาว่างท่านจะไปหาแม่อัตยิหนึ่งจะไปทานอาหารกับแม่เนี่ยกี่วัน ห้าวันแล้วก็อีกวันหนึง่งไปกับพระราชนีไปต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอีกหนึ่งวันยังเหลืออีกหนึ่งวันท่านไปไหนอีกหนึ่งวันท่านถือศีลแปดจะ้ะท่านถือศีลแปดไม่ทานอาหารตอนเย็นท่านไม่ทานอาหารตอนเย็นทุกเย็นจะไปทานห้าวันกับแม่ วันหนึ่งรับแขกบ้านแขกเมืองส่วนอีกวันหนึ่งงดถวายพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้ารักในหลวงรักพ่อหลวงทำตามทีนี้ทำตามอย่างไรพอท่านไปถึงสมเด็จย่าท่านศกที่อกแล้วบอกว่าต่อไปนี้จะมีใครที่จะมาช่วยสอนท่านอีกหลังจากนั้นท่านก็เอาหวีไปหวีพระเกศาของสมเด็จย่าพอเรียบร้อยเสร็จปับ๊บท่านกลับวังแล้วเอางานทั้งหมดของสมเด็จย่ามาดู ว่างานอะไรที่มันยังข้างครางงานอะไรที่ยังไม่เรียบร้อยเอามาถึงปั๊บลุยเต็มที่ทั้งงานมูลนิธิงานโรงเรียนงานหมู่บ้านงานต่างๆแล้วบอกสมเด็จย่าว่าวางพระไทยแม่หลับให้สบายเลยแม่ไม่ต้องกังวลท่านลุยเต็มที่โดยการใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ออกมาทุ่มทำถวายแก่สมเด็จย่านี้คือการทำของพระพุทธ ในหลวงของพวกเรามาดูตอนที่พระพี่นางจากไปพอพระพี่นางจากไปปับ๊บท่านเสียใจเหมือนกันแต่ว่าท่านไม่มัวแต่นั่งร้องไห้ท่านเอางานทั้งหมดของพระพี่นางมาดูแล้วก็ลุยงานเต็มที่บอกพระพี่นางบอกว่าหลับให้สบายไม่ต้องกังวลทั้งหมดน้องจัด ก, การให้ท่านทำเต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าเรารักในหลวงต้องทาแบบเดียวกับพระองค์ท่าน ปัจจุบันคนไทยบอกว่ารักในหลวงแล้วทําอย่างไรก็ไปนอนเป้าที่สนามหลวงคอยเขาแจกอาหารแล้วก็เข้าไปกราบในหลวงกราบพระบรมศพแล้วบอกว่าเรารักในหลวงมากเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปกราบทุกวันการทําแบบนั้นถือว่ารักในหลวงใช่ไหมมันใช่เหมือนกันนะ่ะแต่ว่ามีอะไรที่ทําได้ดีกว่านั้นมีอีกไหมไปเก็บขย ะ, ขยะสาธุดังๆให้ลูกเนนด้วยจ้ะ สาธุหนึ่งแล้วมีอะไรต่อไปแจกของให้คนอื่นสาธุลูกเน้นด้วยจ้ า, ามีอะไรอีกไปกินฮะไปช่วยเหลือคนอื่นมีมอเตอร์ไซค์เมื่อก่อนขับรถซิ่งพอสตาร์ทปึ่นขึ้นมาเสร็จปั๊บก็บางคนสตาร์ตผ่อนผ่อนผ่อนนะ พอสาตาติดขึ้นมาก็ตายตายตายตายตา ย, ตายแล้วก็วิ่งปืดไปพอในหลวงจากปับ๊บเขาเอารถมอเตอร์ไซค์มารับใครจะไปการ า, าบพระบรมศพขึ้นฟรีได้เลยแจกฟรีแล้วก็มีวัยวัยรุ่นนักศึกษาสไพายเป้เลยจะสไพายปุ๊บแล้วข้างหลังเขียนยาหอมอยาลมยาดมยามองต้องการให้สกิทแจกฟรี แล้วก็มีวัยรุ่นที่ไปเก็บขยะเต็มไปหมดบางคนไปขัดส่วมมีไปเก็บขยะสาธุ<ป>ายพวกเราด้วยจ้ะสาธ<ป>มีคุณลุง<ป>มี ค, คุณลุงคนหนึ่ง<ป>คุณลุงคนหนึ่ ง, ง, นนงเอาผ้าไปชุบน้ําแล้วก็ไปบีบใส่ขันแล้วก็ไปเทแล้วก็กลับมาชุบน้ําตรงหน้าทางเข้าพระราชวังคนถามว่าลุงทําอะไรลุงบอกว่ากลัวเดี๋ยวคนจะมาหกล้มแต่ที่ เป็นดาราเป็นวัยรุ่นที่ไปขับรถเครื่องเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีแท็กซี่บอกว่าใครจะไปกราบพระบรมศพไม่ต้องจ่ายสตังค์คนนั่งแท็กซี่เสร็จพอลงปั๊บเอาสตังค์ให้แท็กซี่หันมามองยกมือไหว้บอกว่าช่วยให้เกียรติผมด้วยครับผมทำถวายพ่อหลวงครับเพราะฉะนั้นให้เกียรติผมอย่าให้ตังค์ผมมีบางคนบอกว่าพวกนี้สร้างภาพพระอาจารย์บอกว่าสร้างไปเถอะ สร้างในสิ่งที่ดีสร้างไปเถอะเพราะบางคนแค่คิดดีเขาก็คิดไม่เป็นแค่คิดดีเขายังคิดไม่เป็นเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้สร้างภาพก็สร้างไปไม่เป็นไรคือบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น น, นักเลงหลังแป้นพิมพ์พิมพ์ด่าคนนู้นพิมพ์ด่าคนนี้ด่าสารพัดเลยคนนู้นกัดแย่คนนี้กัดเลวคนนั้นก็ไม่เอาไหนมีมันคนเดียวที่เป็นคนดีที่ไม่เคยช่วยเหลือใคร วันนี้สิ่งที่พระอาจารย์อยากจะฝากก็คืองานที่ในหลวงท่านทำํำถ้าไม่ทําตามคําสอนอย่ามาอ้อนเรียกพ่อหลวงทีนี้สิ่งที่ในหลวงท่านสอนท่านสอนอย่างไรบ้างท่านสอนด้วยการทําทําให้ดูก็คือท่านเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ท่านเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และก็เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกเป็นสิทธิ์ที่ดีของครูอาจารย์และเป็นครูอาจารย์ที่ดีของสิทธ เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและเป็นสาวกที่ดีของพระศาสดาพระองค์ท่านเป็นสาวกที่ดีไม่มีศาสดาองค์ใดที่จะสอนให้คนเบียดเบียนกันใครสอนให้เบียดเบียนกันพระอาจารย์ถือว่าเป็นซาตานในร่งางศาสดาไม่มีศาสดาองค์ใดที่สอนให้คนเบียดเบียนกันนะตรงนี้ก็ ฝากเป็นข้อคิดนิดหนึ่งเรามาดูตรงนี้อ่าดูอันนี้หมายถึงอะไรเอ่ยออนี่นี่ฝนหลวงโอ้โหยอดเยี่ยมมากสาธุตดังๆให้พวกเราด้วยวันนั้นพระอาจารย์บอกอันนี้หมายถึงอะไรเอ่ยเขาบอกว่าเครื่องบินและมันหมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงในหลวงท่านขึ้นเครื่องบินเป็นประจำ <S <S ปัญญาอ่อน ฝนหลวงจะฝนหลวงอันนี้ฝนหลวงที่ในหลวงท่านทําแล้วฝนหลวงมันมาได้ยังไงทราบไหมในหลวงในหลวงท่านไปดูแก้วน้ําแล้วพอเอาน้ําแข็งใส่ลงไปปั๊บ ม, นะมันมีหยดน้ํามาเ ก, กาะค่องข้างเต็มไปหมดเลยถามเด็กว่าหยดน้ํามาจากไหนบางคนบอกว่าซึมออกมาจากในแก้วมันเป็นหยด น้ำในอากาศที่มารวมตัวกันพอพระองค์ท่านเห็นปับ๊บปิงแวบอะปิงแวบเข้าใจใช่ไมไม่เหมือนกับบางคนเห็นแล้วก็ซื้อบื้ออยู่งั้นเองจ้ะไม่ได้รู้เรื่องแต่ในหลวงท่านฉลาดมากพอดูปับ๊บเฮ้ยมันน่าจะทำอะไรขึ้นมาได้ตอนนี้ปรากฏว่าโครงการฝนหลวงของท่านไปช่วยต่างประเทศเยอะแยะมากเลยมีคนเอาไปใช้กันเยอะแม้แต่พม่า ก, กับลาวก็ยังได้ได้ฝนจากโครงการเนี้ย แล้วก็ตาประเทศต่างๆตอนนี้มากมายจนกระทั่งพระองค์ได้รับรางวัลเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นเป็นคิงนักวิทยาศาสตร์ซึ่งต่างประเทศไม่มีแบบนี้แล้วก็มาถึงมาดูตรงนี้นี่คือกังหันชัยพัฒนาสาธุดังๆให้พวกเราด้วยสาโครงการนี้ก็ได้รับรางวัลจากต่างประเทศมาถึงตรงนี้เป็นรองพระบาทรองเท้า รองเท้าท่านใช้จนเก่าจนสึกแล้วท่านก็ส่งไปซ่อมระดับในหลวงเนี่ยจำเป็นต้องซ่อมรองเท้าไหมไม่ต้องแล้วจําเป็นต้องซื้อใหม่หรือเปล่าไม่ต้องทําไมจึงไม่ต้องซื้อมีคนถวายเยอะแยะหมดเลยแต่พระองค์ท่านประหยัดให้ดูบอกว่ามันยังใช้ได้อยู่แล้วก็ไอ้คู่เก่าๆของพระองค์เนี่ยเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จไปที่ต่างๆคนที่ใส่รองเท้าใหม่ๆราคาแพงๆ เดินตามพระองค์ท่านไม่ทัน ม, มาถึงตัวนี้โทรศัพท์เห็นไหมคะโทรศัพท์ตัวโทรศัพท์พระอาจารย์ประทับใจมากไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อพวกเราเงียบกิบกันหมดเลยสุดยอดมากสาธุดังๆให้พวกเราด้วยเอาใหม่เบาไปสาธุเอาใหม่เบาไปสาธุ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 แม่จึงจึงจ่ะดึงหูห้าครั้งดึงให้ดังกว่านี้ดึงใหม่อีกทีดึงให้ดีกว่าเดิมนอนกลนห้าครั้งโอ้โหไม่เอานะสะอาดสะอาดสว่างสงบสง่างาม พวกเรายอดเยี่ยมมากเลยทุกคนเงียบกิบกันหมดเลยมาดูตรงนี้โทรศัพท์มือถือมีคนเอาโทรศัพท์มือถือไปถวายพระองค์ท่านพอไปถวายปับ๊บพระองค์ท่านบอกว่าของเรามีแล้วว่าแล้วก็ดึงออกมาพอดึงออกมามันเก่าเดี๋ยวนั้นเลยมันเก่าทันทีที่ดึงออกมา คนก็บอกว่าทราบว่าของพระองค์มีแล้วแต่ของพระองค์รุ่นเก่ามากอันนี้รุ่นใหม่พระองค์ท่านตรัสว่าของเราว่าตามของเรายังใช้ได้อยู่จ้ะพอตัดแค่นั้นเองคนบอกว่าทราบว่าของพระองค์ยังใช้ได้แต่ของพระองค์มันรุ่นเก่ามากเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้รุ่นใหม่ในหลวงท่านตรัสว่าของเรายังใช้ได้อยู่ เราใช้เป็น tool หรือใช้เป็น toy ล่ะ tool ก็คือใช้สื่อสารเพื่อสร้างทรัพย์สินแต่ tool toy ใช้สื่อสารเพื่อสร้างหนี้สินตกลงที่เราใช้โทรศัพท์ใช้สร้างทรัพย์สินหรือหนี้สิน <c oughs> โอชัดเจนมากเลยสาธุดังๆให้ลูกเนนด้วย <c oughs> จ้ะหยับ อสงสารคุณพ่อคุณแม่อย่าไปใช้หนักเกินไปอีกนิดเดียวอันนี้เป็นรูปดินสออันนี้เป็นรูปดินสออันนี้เป็นรูปหมายความว่าอย่างไรใครตอบได้ท่นานไ้จนสั้นมากแค่นั้นไม่พอวันนั้นเอามือลงได้แล้ววันนั้นท่านเข้าไปห้องทรงงานปรากฏว่าดินสอเก่าไม่มีมีแต่ดินสอใหม่ๆ ท่านก็เลยหยิบดินสอใหม่แล้วเดินไปหาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องท่านแล้วก็ถามบอกว่าดินสอเก่าเราหายไปไหนเอามาคืนเราเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาดินสอเก่ากลับมาคืนปับ๊บท่านเอากระดาษที่พันไว้เสียบก้นปึ๊บใช้ได้ต่อเหล่าจนกระทั่งเหลาไม่ได้มันกุดกุดจนติดที่ต่อเลยอะ่ะอันนี้ก็คือพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างที่ดี เหมือนพวกเราเลยใช่ไหมหายไปไม่รู้กี่ด้ามเลยใช่ไหมดินสอจ้ะอ่ะมาดูนี้อีกนิดยาสีฟันหลอดยาสีฟันท่านเข้าไปห้องสีพระทนพอไปถึงปั๊บเป็นหลอดใหม่ท่านก็เลยหยิบออกมาหลอดเก่าเราหายไปไหนคนก็เลยต้องเอามาคืนพอมาคืนปับ๊บท่านใช้ได้อีกตั้งสิบกว่าวันรีดจนกระทั่ง รีดรีดรีดรีดจนกระทั่งหนังหน้าท้องไปติดกระดูกสันหลังแบนแต้แต่เลยนะวันนั้นพระอาจารย์พูดเรื่องนิยมคนหนึ่งยกมือพึบเหมือนหนูเลยค่ะแต่ของหนูมากกว่านะคะหนูผ่าหลอดเลยค่ะพระอาจารย์ก็ได้บอกว่าเฮ้ยถ้าขนาดผ่าหลอดเนี่ยเอาเวลาไปทําอย่างอื่นบ้างก็ได้นะแค่รีดมันก็โอเคแล้วจ้ะ นี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านทำให้ดูมาดูตรงนี้เลขอะไรเลขสีก็คือหมายความว่าสี่พันกว่าโครงการที่ท่านทำเพื่อประชาชนสรุปก็คือหนึ่งอาทิตย์คิดโครงการเพื่อผู้อื่นหนึ่งโครงการเจ็ดสิบปีเนี่ยสี่พกว่าโครงการของเราตั้งแต่เล็กจนถึงตอนนี้เราทำโครงการเพื่อผู้อื่นมาทั้งหมดกี่โครงการแล้ว เยอะแยะมากเลยใช่อ่ะสะอาดโอสติพวกเราเริ่มดีแล้วพวกเราเริ่มมีสติกันแล้วสะอาดสะอาดสว่างสงบสง่างามนะดูนิดเดียวจ้ะมีคนรักในหลวงมากพอในหลวงจากไปปั๊บอยากจะทำอะไรถวายพระองค์ท่านฟังให้ดี นึกอะไรไม่ออกเห็นว่าคนไปเปิดโรงทานปับ๊บนึกขึ้นมาได้เราจะทำความดีถวายพระองค์ท่านรีบไปซื้อหมอข้าวหมอแกงมาถึงปับ๊บทำกับข้าวตลอดชีวิตไม่เคยทำกับข้าวลุกขึ้นมาทำกับข้าวหม้อใหญ่แล้วเอาไปแจกที่สนามหลวงพึบแจกเกลี้ยงหมดเลยไปไล่แจกแล้วกลับมาภูมิใจมากว่าตัวเองทำกับข้าวมาแจกหมดเกลี้ยงเลยแต่ไม่ได้ไปดู ว่าคนเ็ากินคําเดียวแล้วก็ก็ไปเททิ้งหมดตลอดชีวิตไม่เคยทำกับข้าวลุกขึ้นมาทำแล้วเอาไปแจกสนามหลวงตอนนี้ขยะที่สนามหลวงวันละห6สบตันที่เป็นขยะอาหารเพราะไอ้พวกรักในหลวงที่ทำกับข้าวไม่เป็นไปทำเยอะแยะส่วนที่ทำกับข้าวเป็น โรงแรมต่างๆพัตตาคารต่างๆก็มาทำแจกกันเยอะแยะหมดเลยเขาก็ช้อปปิ้งร้านอาหารกินร้านนี้คำหนึ่งร้านนู้นคำหนึ่งที่เหลือก็เอาไปทิ้งขยะกันเพราะฉะนั้นประกาศขอร้องทำอย่างอื่นก็ได้ถ้าใครไม่รู้จะทำอะไรก็ประกาศโปรดทราบขนาดนี้มีลูกเนนน่ารักน่ารักแล้วก็แม่ชีน้อยน่ารักน่ารักมาบวชกันที่โรงเรียนรุ่งอรุณ ตื่นตั้งแต่ตีสี่ตั้งใจทําความเพียรตั้งแต่เช้าเลยตั้งใจมาหลับตอนขณะฟังธรรมนี่แหละนั่นแหละจ้ะแต่ว่าเรามาถึงก็น่ารักมากเลยวันนี้พวกเราสู้ชีวิตตั้งแต่ตีสจนถึงปัจจุบันสาธุดังๆให้พวกเราด้วย <c oughs> อ่ะดูนิดเดียวจะ้ะอาจารย์ฝากไว้นิดนึงจะ้ะพวกเราถ้าจะทําความดีถวายในหลวงพนมือว่าตามทําดีทําได้ทําเลย ทำดีสักนิดดีกว่าคิดจะทำร้อยคิดพันคิดก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่าหนึ่งทำทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำทำใดๆจะมีค่าถ้าหมั่นทำฟังทำแล้วเอาไปทำ พระอาจารย์ไม่ได้หวังอะไรมากนะงานนี้พวกเรามาบวชแม่ชีบวชลูกเนนต่างๆกันเนี่ยพระอาจารย์ต้องการเพียงอย่างเดียวก็คือขอให้พวกเราได้ดวงตาเห็นธรรมกันทุกๆรูปทุกๆนามแค่นั้นเองสาธุดังๆด้วยเอาใหม่สาธุดังๆสิ่งที่พระอาจารย์ต้องการคือต้องการให้ลูกเนนและแม่ชีน้อยได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดวงตาเห็นธรรม เดินไปเจอเศษขยะปั๊บดวงตาเห็นทำเก็บเลยจะเอาไปทิ้งกินข้าวเสร็จไปถึงปั๊บที่ล้างจานไม่มีใครล้างเลยดวงตาเห็นทำหยิบจานขึ้นมาล้างเลยจะเห็นบ้านสกรปรกหยิบไม่กวาดได้ดวงตาเห็นทำกวาดบ้านเลยจะไปถึงปั๊บเห็นเสื้อผ้ายังไม่ได้ซักดวงตาเห็นทำจะใส่เครื่องซักซักเสร็จเรียบร้อยปั๊บ ไม่มีใครพับผ้าดวงตาเห็นทำพับให้เรียบร้อยจ้ะก็เชื่อมั่นว่าพวกเราสามารถทำได้ขณะนี้สามโมงยี่สิบแล้วจะหมดเวลาแล้วพระอาจารย์มีช่วงสุดท้าย อ, อ, อาจารย์ช่วยดูนะมีลูกเนรไม่อยากได้พัดกันหลายรูปก็เดี๋ยวแจกกันเองก็แล้วกั น, กนใครอยากได้พัดยกมือสงูงสูงพรบ เฮ้ยเมื่อกี้นั่งหลับยังยกมือได้เลยเฮ้ยจ้าก็มีพอสำหรับทุกๆรูปเลยจ้ะพระอาจารย์เตรียมมาพอจ่อนิดเดียวเอามือลงได้เมื่อกี้คุณครูช่วยวาดมาเป็นดอกบัวดอกบัวดอกบัวเกิดกับคนตมแต่เมื่อโผลพ้นคนตมคนตมไม่สามารถสิงซึมเข้าไปในกลีบของดอกบัว แล้วกลิ่นของดอกบัว ก, ก็ไม่เหมือนกลิ่นขี้โคลนเพราะฉะนั้นเขาจึงเอาดอกบัวมาเป็นเครื่องหมายแทนความบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าเวลานั่งนั่งอยู่บนอะไรนะดอกบัวจะ้ะนั่งอยู่บนดอกบัวเวลายืนก็ยืนอยู่บนเดินอยู่บนนอนอยู่บน เพราะฉะนั้นดอกบัวจึงเป็นเครื่องหมายแทนความบริสุทธิ์สรุปว่าพระพุทธเจ้าเดินก็เดินอยู่บนความบริสุทธิ์นั่งอยู่บนความเดินอยู่บนความนอนอยู่บนความจ้ะคนก็เลยเอามาเป็นเครื่องหมายแทนความบริสุทธิ์เวลาเราพนมมือเราจะพนมมือเป็นรูปดอกบัวก็คือเป็นเครื่องหมายแทนความบริสุทธิ์จ้ะสาธุดังๆให้คณะคุณครูด้วยจ้ะ อ่มาดูภาพนี้น้องอายุสิบห้าสหมั้งวาดมาให้ยังอยู่ไ้มลูกอยู่ช่วยออกมาอธิบายนิดนึงยังอยู่ไหมคะไม่อยู่แล้วจะเขียนว่าโลกเปลี่ยนเพราะลงมือทำไม่ใช่คำที่พร่มพูดโลคโลกเปลี่ยนเพราะลงมือทำไม่ใช่คำที่พร่ำพูด เพราะฉะนั้นโลกจะเปลี่ยนก็คือต้องลงมือทำดวงตาเห็นทมทราบว่าลูกเนนอยู่ที่นี่น่ารักมากช่วยกันขัดซ่วมช่วยกันกวาดมาเที่ยวนี้สะอาดฝักเก่าเยอะแยะเลยสาธุให้ลูกเนนและลูกชีน้อยด้วยจ้าน่ารักอะไม่ต้องให้ใครมาบอกให้ไปทำนูน่ทนทานี่พวกเราดูแลกันเองเพราะว่าถือว่าโรงเรียนแห่งนี้ก็คือบ้านหลังที่สองของพวกเรานะ น่ารักมากอะทีนี้ก่อนจบพระอาจารย์ขอตัวแทนพวกเราที่จะขึ้นมาพูดบนเวทีนี้ว่าวันนี้ฟังได้ข้อคิดอะไรบ้างคนละสั้นๆจะ้ะใครจะขึ้นมาก่อนค่อยๆลุกขึ้นยืนแล้วมายืนข้างๆมาจับใหม่จากการมาวันนี้ได้ข้อคิดอะไร มีไมอยู่ตรงข้างๆลองดูจ้ะมีเวลานิดเดียวจะนิดเดียวมีไหมจ้า จะอ่นทางนู้นเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆสิ่งที่ลูกเนนได้วันนี้วันนี้ผมได้เรียนรู้ว่าพรจะเก็บยังไงครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลูกเนรแป๊บเดียวสะอาดสะอาดสว่างสงบสง่างามการให้เกียรติเพื่อนสำคัญไหม สำคัญเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเราลูกเนรตั้งใจเลยจ้ะได้เลยรู้ว่าพัดเก็บยังไงครับวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างครับได้เรียนรู้ว่าพัดต้องเก็บยังไงครับอ๋อได้รู้ว่าพัดต้องเก็บยังไงเอาสาธุได้จ้ะจ้ะ ก็คือเก็บเพียงแค่ตั้งใจฟังแล้วเราก็จะทําได้ถูกต้องจ่าอ่ะใครจะออกมาให้ปากจ่าลุกๆุกขึ้นมาเงียบๆจ่าค่อยๆลุกขึ้นมาอ่ะได้เลยจ่าสองคนกลับุกออกมาจ่าทีละคนอ๋อได้แป๊บเดียวจ่าอ่ะมาแม่ชีน้อยมาก่อนจ่าจ่าแม่ชีน้อยออกมาจ่าปากข็คิดนิดนึง ลูกเนเอามือลงนะเดี๋ยวค่อยตั้งใจฟังจ้ะจ่าขอเชิญจ่า ข, ขอเชิญจ่าได้เรียนรู้ว่าวันนี้การที่มีสติทำให้เราได้พัฒนาตัวเองได้สาธุดังๆจ้าการมีสติทำให้เราพัฒนาตนเองได้เห็นไหมเมื่อกี้นี้การพับพัดเนี่ยมันเป็นการฝึกสมองสองด้าน เพราะว่าเวลามือหนึ่งเราปิดปับ๊บมือหนึ่งมันจะโดนล็อกแล้วเราจะไม่รู้ว่ามันถูกล็อกแล้วเราก็จะพยายามที่จะหักมันเข้ามาหักมันเข้ามาซึ่งพระอาจารย์บอกว่าอย่าพับอย่าพับใช้บิดเฉยๆแล้วมันจะดึงตัวของมันเองแค่นั้นเองบิดเฉยๆจ้าหลายคนทำได้เก่งมากจ้ะขอเชิญแม่ชีจ้า ก็วันนี้ฉันได้เรียนรู้การใช้สิ่งของให้ประหยัดตามรอยแบบพ่อหลวงของเราค่ะการใช้สิ่งของต้องประหยัดตามแบบพ่อหลวงจะสาธุดังๆให้ไม่ชีน้อยจ้าสาธุจ้าจ่ะก็เชิญจ่าถ้าเราพยายามจะทำอะไรก็จะสำเร็จค่ะถ้าเราพยายามจะทำอะไรก็จะสำเร็จสาธุดังๆได้จ้ายอดเยี่ยมพวกเรารู้จักให้เกียรติเพื่อน เขาเรียกว่าอพิเชตอะแอพิเคชันรู้จักที่จะให้เกียรติคนอื่นจา้าขอเชิญลูกเนนจา้าลูกน้องแว่นจา้าน้องแว่นน้องแว่นมาลุกขึ้นมาลุกแล้วก็ลูกข้างหน้าขึ้นมาก่อนเลยลูกจาก่จาจาับจับจ่าได้เลยจา่ารู้ว่าถ้าวันถ้าเราไม่ยออ่อท้ออุปสรรคอะไรมาเราก็จะผ่านไปได้เสมอ ถ้าเราไม่ย่อทออุปสรรคอะไรมาเราก็จะผ่านได้เสมอสาธุดังๆจ้ า, าเอาใหม่ดังๆโอ้ oh, ยอดเยี่ยมเลยจะให้เกียดจ้าก็ <c oughs> <c oughs> เออได้รู้เกี่ยวกับสิ่งที่ในหลวงสอนนะครับที่ให้เป็นคนดีให้กตัญญูต่อพ่อแม่เรื่องพอเพียงครับให้เราใช้พอเพียงไม่โลภมากครับชีวิตเราก็จะสบายครับ สาธุตึงดังให้เพื่อนเราด้วยจ้าจากลูกเน้นที่ยกมืออยู่จกขึ้นมาเลยจ้าวันนี้ผมได้เรียนเลยว่าการการที่เปิดใจฟังคนอื่นนะครับมันเป็นการที่แบบเป็นเป็นดีครับที่ ไม่ได้อยู่ลกตัวเองมากเกินไปเวลาฟังคนต้องรู้จักที่จะเปิดใจฟังกันจากยังหน้าอ่องทั้งคู่เลยเนาะจะสาธุดังๆให้ลูกเนนด้วยจ้าสาธุมีใครจะออกมาอีกไหมยกมือจ้าพรึบถ้าไม่มีเดี๋ยวอาจารย์ลองดูนะครับเดี๋ยวเราจะสรุปกันละก็มีภาพอีกภาพหนึ่งซึ่งเมืนน่อเมื่อกี้นี้คุณครูวาดวาดมา คุณครูจะมาช่วยอธิบายนิดหนึ่งไหมฮลัโลโหลจะขอนิดหนึ่งจะสาธุดังๆให้คุณครูด้วยจ้า<ล>คุณครูวาดสวยงามมากเป็นต้นไม้ประหลาดมีดอกบัวอยู่ข้างล่างด้วยเออนะ <c oughs> เป็นต้นไม้ประหลาดเนี่ยที่เมื่อกี้จะให้ระบายสีกันแต่เวลาไม่พอนะก็เลยเดี๋ยวไปคอยระบายสีกันเองคุณครูจับไหม่เลยจ้ะจับไหม ครับของครูที่จะที่ว่าเป็นเป็นต้นไม้ต้นโพที่ผุดขึ้นจากดอกบัวก็เป็นสั ญ, ญลักษณ์หนึ่งที่หยิบยกขึ้นมาเหมือนดอกบัวก็คือสิ่งที่ดีงามก็เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าที่เรานับถือแล้วก็ต้นโพก็เป็นสั ญ, ญลักษณ์หนึ่งที่เราก็รู้กันเนาะของเรื่องของการประสูตตัสลุกอนินิพพาน ก็หยิบยกขึ้นมาวาดและสร้างสารรค์ลงบนแผน ง, งานต้นไม้ก็คือเหมือนนึกถึงธรรมชาตินะธรรมะก็อยู่ในธรรมชาติอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีงามถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของตัวเองของสรรพรสิ่งมันก็คงจะดีก็ประมาณนี้ครับงานครับผมขอบคุณครับได้แล้าได้ไปอย่างพะัะนะ ได้พัดไหมพัดอันอื่นไปจ้ะ อ, อันอื่นไปอันไหนก็ได้เรีกยกครับก็แล้วแต่พวกเราจะวาดอะไรแต่สิ่งที่พระอาจารย์อยากจะให้เขียนก็คือตั้งปฏิฐานว่าเราจะทําความดีอะไรถาวายแด่พ่อหลวงทําความดีอะไรที่จะมอบให้กับคุณครูอาจารย์มอบให้แก่คุณพ่อคุณแม่ได้ไหมครับนะแล้วทําเสร็จก็ค่อยไปให้คุณครูอาจารย์ หรือว่าพี่เลี้ยงของเราดูกันแล้วกันส่วนในหนังสือวันนี้ใครอยากจะอธิบายเรื่องในหนังสือนิดหนึ่งจ้ะที่พระอาจารย์พูดเมื่อเช้าว่าให้รักะบายหน้าที่เราชอบบทความอ่ะในใคลน่าบายหน้าไหนลองมาเปิดให้เพื่อนดูสิอธิบายให้เพื่อนฟังจ้ะสะอาดสะอาด ไม่มีใครปลกเข่าเลยคุณครูช่วยดูนิดหนึ่งนะถ้าใครไม่ตีเขา่าหยิบพัดตรงข้างๆมาเลยจ้ะถือว่าไม่ให้ความร่วมมือสะอาดสะอาดโอเคแล้วสว่างไม่ดังจ้ะสว่างสงบสง่างามให้เกียรติเพื่อนที่จะออกมาบรรยายจ้ะขอเชิญจ้ะม่อยู่ตรงนี้ ขอโทษขนาดมีลมหายใจดีกว่านั่งเสียใจตอนเขาตายแล้วขอโทษขนาดมีลมหายใจจะได้ล้างใจของกันและกันจ้ะให้เพื่อนดูนิดหนึ่งระบายได้สวยงามมากเลยจ้ะระบายได้สวยงามมากก็สาธุดังๆให้เพื่อนเราด้วยขอโทษขณะที่มีลมหายใจจะได้ล้างใจของกันและกันการขอโทษกันสำคัญไหมนิดเดียวแป๊บเดียว พระอาจารย์เล่าเรื่องขอโทษนิดหนึง่งพระอาจารย์เคยเล่าไปแล้วที่เนี่ยมีครอบครัวหนึ่งมีคุณพ่อคุณแม่ลูกชายลูกสะภ้ยแล้วก็ไอ้ดางอยู่กันอย่างมีความสุขครอบครัวนี้มีทั้งหมดกี่ชีวิตมีใครบ้างอยู่กันอย่างมีความสุขวันหนึ่งคุณแม่ไม่สบายลูกสะภ้ยก็เลย ต้มโจ๊กดูแลอย่างดีคุณแม่ก็ค่อยๆแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นเชา้าวันหนึ่งลูกสะพ้ยถือโจ๊กเข้าไปในห้องเห็นคุณแม่ยังนอนหลับสนิทอยู่มีเสียงกลนเบาๆลูกสะพ้ยจะปลุกก็ไม่กล้าก็เลยค่อยๆ ย, ย่องออกถอยหลังออกไปกะว่าเดี๋ยวคุณแม่ตื่น คุณแม่ก็จะได้ทานโจ๊ก ว, วางชามโจ๊กไว้ที่โต๊ะข้างเตียงคุณแม่แล้วก็ออกไปทําธุระพักใหญ่พอกลับเข้ามาในห้องอีกทีหนึ่งเห็นคุณแม่นั่งอยู่มองไปที่โจ๊กเกลี้ยงชามลูกสะพ้ยยิม้มแล้วก็พูดขึ้นมาว่าคุณแม่ขาวันนี้คุณแม่เจริญอาหารจังเลยนะคะเกลี้ยงชามเลยค่ะ คุณแม่งงหันไปมองหน้าลูกสะพ้ยแล้วก็บอกว่าแม่ยังไม่ได้ทานอะไรเลยลูกลูกสะพ้ยง ง, งมองมันเกลี้ยงขนาดนั้นแล้วทาไมคุณแม่ว่าไม่ได้ทานแต่ลูกสะภ้ยเป็นคนช่างสังเกตนึกถึงคําของคนโบราณคนโบราณบอกว่าไม่มีอะไรที่จะเกลี้ยงเท่ากับหมาเลีย มองปั๊บมันเกลี้ยงจริงๆลูกสะพ้ยก็เลยมองไปรอบห้องเห็นไอ้ด่างกระดิกหางดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊ลูกสะั้ยรีบยกมือไหว้คุณแม่แล้วบอกว่าลูกขอโทษค่ะเป็นความผิดของลูกเองเมื่อกี้ลูกปิดประตูไม่เรียบร้อยไอ้ด่างเลยเข้ามากินหมดเลยลูกขอโทษลูกผิดเอง พอพูดแค่นั้นคุณแม่รีบยกมือไหว้แล้วคุณแม่ก็พูดบอกว่า <c oughs> พอคุณแม่จะพูดคุณแม่รู้สึกเสียงไม่ค่อยมีคุณแม่ก็เลยนั่งแล้วดื่มน้ำก่อนจบพอนั่งดื่มน้ำเสร็จแล้วคุณแม่ก็ยืนขึ้น <c oughs> แล้วคุณแม่ก็บอกว่าแม่ขอโทษจ้า แม่ผิดเองปกติแม่ต้องตื่นแล้วแต่เมื่อคืนแม่ดูเล่นลายดึกไปหน่อยนะแถมดูนาคีด้วยนะแม่ขอโทษแม่ผิดเองคุณพ่อพอได้ยินปับ๊บตอนแรกคุณพ่อนั่งอยู่พอคุณพ่อได้ยิน คุณพ่อก็เลยยืนขึ้นแล้วก็เดินมาแล้วก็บอกพูดขึ้นมาบอกว่าพ่อผิดเองเมื่อกี้พ่อเห็นไอ้ด่างมันเข้ามาแล้วแต่พ่ออ่านหนังสือพิมพ์เพลินพ่อเลยไม่ได้ลุกมาไล่มันพ่อขอโทษพ่อผิดเองพูดแค่นั้นลูกชายเดินเข้ามาคิดว่าจะนั่งแต่ก็ไม่นั่ง แล้วก็เดินเข้ามาแล้วบอกว่าผมขอโทษครับผมผิดเองวันนี้ผมไม่ได้ทำหน้าที่ปกติตอนเช้าผมต้องพาไอ้ด่างไปมอร์นิ่งวอล์ออกกำลังกายแต่เมื่อเช้าคุยกับเพื่อนบ้านเพลินเลยลืมทำหน้าที่ผมขอโทษผมผิดเองงานนี้ไอ้ด่างงง หันไปคนน้นก็ขอโทษคนนี้ก็ขอโทษคนนั้นก็ขอโทษจริงๆใครผิดด่ดางผิดแต่ด่างพูดได้ไหมไม่ได้ไไดถ้าด่างพูดได้ด่างจะพูดว่างไงด่ดางขอโทษด่างผิดเองด่างรว้วมันไม่ใช่เพชรดีกรีมันไม่ใช่อาหารหมาแต่มันหอมมากด่างทาใจไม่ได้ด่างขอโทษเป็นไงครอบครัวนี้น่ารักไหมน่ารักเหมือนครอบครัวพวกเราเลยไหม เวลาพอมีปัญหาขึ้นมามึงนั่นแหละผิดมึงอะมึงอ่ะเห็นไหมมันก็เลยวุ่นวายกันไปหมดเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาง่ายๆเลยเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นให้พูดคําว่าอะไรใครอยากอยู่อย่างมีความสุขยกมือสูงๆพึบใครอยากประสบความสําเร็จในชีวิตยกมือสูงๆพึบใครอยากจเจริญก้าวหน้าในชีวิตยกมือสูงๆพึบใครอยาก มีนะเมตตาอยู่ในตัวเองมีสเสน่ห์ในตัวเองยกมือสูงๆพึผง่ายนิดเดียวทุกครั้งที่เกิดปัญหาพนมมือสวยสวยพนมมือสวยสวยถ้าใครอยากประสบความสําเร็จในชีวิตอยากจะเดินก้าวหน้าพนมมือสวยสวยหันไปมองหน้าเพื่อนแล้วว่าตามพระอาจารย์ดังๆใครว่าดังคนนั้นขอให้ประสบความสําเร็จเร็วที่สุดพนมมือหันไปมองหน้าเพื่อนพอเกิดปัญหาปั๊บว่าตามพระอาจารย์ ด่างขอโท ษ, อโทษเอาใหม่หนึ่งสอโทษหันทั่วๆ 1, 2, 3หนึ oh ่งสองสษโอ้โหชีวิตเจริญก้าวหน้าแน่นอนเลยสะอาดสะอาดสะอาดสว่างสงบสง่างาม ฟังให้ดีนะพระอาจารย์ไม่ได้ว่าพวกเราเป็นหมาแต่สิ่งที่พระอาจารย์พูดก็คือชีวิตเรามันไม่ได้ขาวบริสุทธิ์เข้าใจใช่ไหมบางทีมันก็มีกระดำกระด่างบ้างมันก็มีผิดพลาดได้ไหมได้จากสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลัง้งสองขาโดเดก็ต้องเสล้มบ้างแม้กิ้งกื อ, อยังหงายท้องได้นับภาษาอะไรกับคนจะไม่ผิดเลยมันเป็นไปไม่ได้แต่ทุกครั้งที่ผิด เรายอมรับผิดอันนี้อาจหารมากยอดเยี่ยมก็เชื่อมั่นว่าพวกเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตขออนุโมทนาและขอเจริญพรครับก่อนิออนมนต์พระอาจารย์ครับผมอ่ากล่าวขอพระคุณพระอาจารย์ขอใครมีเป็นตัวแทนมั้งครบคูจิ๋วเหรออยู่ไหน เดินเชิงกูจิ๋วมาอ